อาสะวะสูตรว่าด้วยอาสะวะภิกษุทั้งหลายอาสะวะสามประการนี้อาสะวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสะวะ 2. ภพวาสวะ 3. อวิชชาสวะอาสวะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายพึ่งเจริญสติปัาส4ประการเพื่อละอาสะวะสามประการนี้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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละอาสะวะสามประการนี้อาสะวะสูตรที่10จบอมตะวั์ที่หจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อมตะสูตร 2. สมุทยะสูตร 3. มมัคสูตร 4. สติสูตร 5. กุศลราสิสูตร 6. ปาติโมคสังวระสูตร 7. ทุจริตสูตร 8. มิตสูตร 9. เวทนาสูตร 10. อาสวะสูรฮุขังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยานหนึ่งถึงสิบสองคังคา น, นาทีอาทิสุตตะทวาทศกะว่าด้วย พระสูดสิบสองสูดมีอังคารนทีสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทําสติปัฏฐานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากยอ่อมโน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพา น, อ, น, น, พานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 ทำสติปทานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลเพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารคังคานาทีอธทิสุตตะทวาทสกะที่1ถึง12บจบคังคาไปยาลววัคที่หจบ รวมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. ปฐมมาปาจีนิณสูตร 2-5. ทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณสูตร 9. ปฐมมสมุททนิณสูตร 8-12. ทุติยาที่สมุทานิณสุตตะปัญจกะ เจ็ดอปมาทวักหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งถึงสตถาคตาทิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร ตถาคตที่สูตรที่ 1-10 ถึงจบอัปมาทวักที่เจดจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปัทะสูตร 3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร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 1-12 สองพระลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำเดือกกาลังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำเดืวอกําลังทั้งหมดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารพระลาธิสูตรที่หนึ่งจบพระลากรณียวักที่8จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พระสูตร 2. พีชะสูตร 3. นาคสูตร 4. รุรุะสูตร 5. กคุมพสูตร 6. สุกสูตร 7. อากาสะสูตร 8. ปดมฐมเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตรส1อ ห้าคันตุ ก, กะสูตรสิบสองนาทีสูตรเก้าเอสนาวักหมวดว่าด้วยการสแสวงหาหนึ่งถึงสิบเอสนาทีสูตรว่าด้วย การแสวงหาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้การแสวงหา3ามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหาการสองการแสวงหาพบสการแสวงหาพรหมจันทร์พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารเอสนาทิสูตรที่หนึ่ถึงสิบ จบเอสนาวัตที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภพะวสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มลสูตร 8. นีขสูตร 9. เวทนาสูตร สิบตันหาสูตรสิบเอ็ดตัดสินาสูตรสิบโอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสิบอุรธธรมพาคิยาทิสูตรว่าด้วย อุทธำพักยะสังโยชน์เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธำพักยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธำพักยะสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปาราคะ 2. อรูปปาราคะ 3. มานะ 4. อุทัจจะห้าอวิชชา อุดมภากยะสังโยชน์หประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดมภากยะสังโยชน์หประการนี้สติปัฏฐานสประการอะไรบ้างเคอภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อล ะ, ละอุทธรมภากิยสังโยชน์หประการนี้อุทธรมภากิยาธิสูตรที่หนึ่งถึง10จบบัณฑิตพึงขย้ายสติปัฏฐานสังโยชน์ให้พิสดารเหมือนมรรคสังโยชน์โอขะวักที่10จบ รวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. โอขสูตร 2. โยขสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณนสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานขันทสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรรมพาคิยสูตร สติปธานสังยุตที่สจบ 4. อินทริยสังยุตธนึ 1. สุธิกวักหมวดว่าด้วยอินสีล้วน 1. สุธิกะสูตรว่าด้วย อินทรีย์ล้วนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สั่งินทรียอินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริอินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะ 3. สตินทรีย์อินทรีย์คือสติ สี่สมาธินีอินีคือสมาธิห้าปัญญีอินีคือปัญญาภิกษุทั้งหลายอินีห้าประการนี้สุธิกะสูตรที่หนึ่งจบ ปฐมมโสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรียองวิริยินรียามสัตตินรียี่สมาทินรีห้าปัญญินรีภิกษุทั้งหลาย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 3. ทุติยะโสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทิน4ีวิริยิน4ีสาสติน4ีสสมาทิน4ีปัญญิน4ีภิกษุทั้งหลาย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 4. ปพระธมมะอารหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์สูตรที่หนึ่งุททั้งหลายอินรีห้าประการนี้อินรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สตินรีสอวิริยินรีสาสตินรีส 4. สมาตินรีห้ปัญญินรีพุทธสทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นอรหันตขีนาศยู่จรพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ปฐมมารหันตสูตรที่สจบ 5. ทุติยะอารหันตสูตรว่าด้วยพระอระหันตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าประการนี้อินสี่ห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สัททิน4 2. ีวิริยิน4สีสาสติน4 4. ีสสมาธิน4 5. ีปัญญินีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์หประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่า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 6. ปฐมสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่หนึ่งิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้อินรี่หประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรียอวิริยินรีสามสตินรีสีสมาทินรีนย้าปัญญินรีพิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พราม ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระธมมสมณะพรามนสูตรที่6จบเจ็ด ทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดสัตทินสีความเกิดแห่งสัตทินสีความดับแห่งสัตทินสีและปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งสัตทินสีไม่รู้ชัดวิริยินรีและถึงไม่รู้ชัดสัตินรี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 ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเราใดเ่าหนึ่งรู้ชัดสัตทินรีความเกิดแห่งสัตทินรีความดับแห่งสัตทินรีและปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งสัตทินรีรู้ชัดวิริยินรีความเกิดแห่งวิริยินรีความดับแห่งวิริยินรีและปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งวิริยินรี รู้ชัดสติน4ีและถึงรู้ชัดสมาทินสีรู้ชัดปัญญิน4ีความเกิดแห่งปัญญิน4ีความดับแห่งปัญญิน4ีและปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งปัญญิน4ีสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ และประโยชนแห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยะสมณพราหมณสูตรที่เจจบ 8. ทัตถะสูตรว่าด้วย การเห็นอินทรีย์ในธรรมต่างๆภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์และถึง 5. ปัญญทรีย์พึงเห็นสัตทินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการพึงเห็นสัตทินทรีย์ได้ในที่นี้พึงเห็นเวริยทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในสัมมประธานสี่ประการพึงเห็นเวรินสีได้ในที่นี้พึงเห็นสตินสีได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสติประทานสี่ประการพึงเห็นสตินสีได้ในที่นี้พึงเห็นสมาธินสีได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในฌานสี่ประการพึงเห็นสมาธินสีได้ในที่นี้พึงเห็นปัญญินสีได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในอริยสัจส์4ประการพึงเห็นปัญญีสีได้ในที่นี้ภิกษุทั้งหลายอินรีย์าประการนี้ทัถัถภสูตที่8จบ ส ม, มวิวพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอินซีสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินซีห้าประการนี้อินซีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินซีและถึง 5. ปัญญซีสัตทินซีนเป็นอย่างไรคืออรียสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า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 คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมอยู่นี้เรียกว่าวิริยินสีสตินรีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้นานบ้างนี้เรียกว่าสตินีสมาธินีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตนี้เรียกว่าสมาธินีปัญญินีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํแระกิกเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญีสีภิกษุทั้งหลายอินสีย์าประการนี้ปฐมมวิพังคสูตรที่9จบ ทุติยาวิพังพระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินซีสูตรที่สองิกษุ์ทั้งหลายอินซีห้าประการนี้อินซีย์าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินซีและถึง 5. ปัญญินซีสัตทินซีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา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 วิรีนีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเธอสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เธอสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งม sure ั่นเพื่อละบาปอกุศสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเธอสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศสธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเธอสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพ ไพบู์เจริญเต็มที่แห่งกุณสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าวิริยินสีสตินสีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งเราลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้นานบ้างเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกกคตาจิตเธอสงัดจากกามและอศรศยธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบรังงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุข เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปเธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเธอบรรลุจตุทัฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข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 นี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าบัญญินสี่ภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าประการนี้ทุติยวิพังคสูตรที่สิบจบสุที่กวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สุทิกสูตร 2. ปฐมมโสตาปนสูตร 3. ทุติยาโสตาปนสูตร 4. ปฐมมาอรหันตสูตร 5. ทุติยาอรหันตสูตร 6. ปฐมมสมณพราหมณสูตร 7. ทุติยาสมณพราหมณสูตร 8. ปทัตถะสูตร 9. ปฐมวิพังคสูตร 10. ทุติยวิพังคสูตร 2. มุทุตะวักหมวดว่าด้วยอินสีที่อ่อนกว่า 1. ปฏิลาพระสูตร ว่าด้วยการได้อินรีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้อินรีห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินรีและถึง 5. ปัญญรีสัตทินรีเป็นอย่างไรคืออรียสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า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 คืออริยสาวกปรารบสัมมาประธานสี่ประการย่อมได้ความเพียร น, นี้เรียกว่าวิริยรีสตินียเป็นอย่างไรคืออริยสาวกปรารบสติประธานสี่ประการย่อมได้สตินี้เรียกว่าสตินียสมาธินียเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิ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 ปฏิลาพะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปฐมมะสังคิตสูตรว่าโดยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีและถึง 5. ปัญญทรีย์อินทรีย์าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระสกธาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นสี่เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกธาคามีนั้นหเป็นพระโสดาบันผู้ทรมนุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นหกเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ทรมนุษารีนั้น ปฐมมะสังคิตตสูตรที่2จบ 3. ทุติยสังคิตตสูตรว่าด้วยผลแห่งอินซีโดยย่อสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินซีย์าประการนี้ อินทรีหประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีและถึง 5. ปัญญทรีอินทรีหประการนี้ภิสษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีอ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้น 4. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 5. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมนุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 6. เป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้รรมนุษยารีนั้น ภิกษุทั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้ทุติยะสังคิตสูตรที่สจบ สตติยะสังขิตสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อสูตรที่สามพุทธสทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีย์ละถึง5ปัญญินสี่อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง เป็นพระอระหันต์เพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอระหันต์นั้น 3. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้น 4. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 5. เป็นพระโสะดาบันผู้ธรรมนุษส า, ารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 6. เป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ทำมานุสารีนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญอรหัตตมักให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุอรหัตตผลบุคคลผู้บำเพ็ญมักทั้งสมที่เหลือให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุผลทั้งสมดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอินทรีย์ห้าประการว่าไม่เป็นหมันเลยตาติยะสังคิตสูตรที่4จบ